นิีนวรณทุกะเจปัญหาวาระหนึ่งปัจญานุลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรนโดยเหตุถปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตานิวรนโดยเหตุถปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรน โดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์และจิตตสมุทานรูปโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขัน์นิวรณ์และจิตตสมุทานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์และจิตตสโมทานรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณะปัจจัยยีสิบสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรากฏนิวรณ์นิวรณ์จึงเกิดขึ้น พึงแ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบนิวรนขันที่ไม่เป็นนิวรจึงเกิดขึ้นพึงอ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบนิวรน น, นนิวนนททน ร, ร น, ว น, น, วนและสัมปยุตตะขันจึงเกิดขึ้นยี่สิเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรนโดยอารมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้น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 รู้กิเลที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาทายวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนัะจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นนิวรด้วยเจโตปริยญาณยอากาสาัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอากินัญญาัตนะ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 โทมนัจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาไทยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้น นิวรและสัมปยุตตขันเจงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระเพึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารบอธิปฏิปัจจัย28สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปฏิได้แก่ เพราะทำนี้วรนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิวรนจึงเกิดขึ้นมีสามวาระปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรนโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาที่ปฏิและสหชาตาที่ปฏิอารมณาที่ปฏิได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถ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 เพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นาชาตาธิปติได้แก่อธิปปีธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมยุญตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติจจ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 สหชาตาทิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นนิวร์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตาณิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวน์และที่ไม่เป็นนิวน์โดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมนาทิปติและสหชาตาทิปติอรมนาทิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ พิจารณาปุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขทายวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิวรณและสัมปยุทจขันธ์จึงเกิดขึ้นสชาตาธิปติได้แก่ธิปดีธรรมที่ไม่เป็นนิวร์เป็นปัจจัยแห่สัมปยุจจะขันธ์ นิวร์และจิตตสมุทานรูปโดยที่ปฏิปจัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวร์และที่ไม่เป็นนิวร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวร์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมน า, าทิปฏิมีสามวาระมีเฉพาะอารมนาทิปฏิปจัจจัยเท่านั้นอนันตรัปัจจัยมสสภาวธรรมที่เป็นนิวร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวร์โดยอนันต ร, ปรัปัจจัยได้แก่ นิวรณ์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลนิวรณ์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลนิวรณ์ที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์และสัมปยุตตะขันที่เกิดหลังๆ โดยอนันตรปัจจัยสาสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแห่ขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแห่งพระสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูล ขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์โดยอนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันธ์ที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์และสัมปยุตตขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์และสัมปยุตตขันโดยอนันตรปัจจัย 32สภาวะธรรมที reign, hm ่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่นิวรณ์และสัมปยุตตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแห่นิวรณ์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลนิวรณ์และสัมปยุตตขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแห่ขันที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัย นิวรและสัมปยุตตขันเป็นปัจจัยแก่วุานะโดยอนันตรปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลนิวรและสัมปยุตตะขันที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่นิวรและสัมปยุตตะขันที่เกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสมนันตระปัจจัยเป็นต้นสาสภาวธรรมที่เป็นนิวรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรโดยสมนันตระปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสาชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยสามสภาวธรรมที่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรนโดยอุปนณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอันันตารูปนิสยและปกระตูปนิสยปกระตูปนิสยได้แก่ นิวรณ์เป็นปัจจัยแห่งนิวรณ์โดยอุปาณิสเสาปัจจัยมีสามวาระ 35. สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอุปาณิสเสาะปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาณิสเสาอนันตารูปปาิสเสาและปกะตูปาณิสเสาะปะกะตูปาณิสเสาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนามากักอภิญญาทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเสนาชนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสงส์ศรัทธาเสนาสนะเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาปัญญาราคะ ความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมัพพะละสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยอาอนันตารูปาณิสยและปะกะโตปนิสยาปะกะโตปาณิสยได้แก่บุคคลนาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเธอทิฏฐิอาศัยศีล เสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงฆ์ศัทธญญาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออริมนุปนิสยอนันตารูปปาิสยาและปะการตูปนิสยปาปะกาตูปปาิสยาได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลเ ส, สนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่นิวรณ์และสัมพยุตฉันโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามโูปานิสยอาอนันตารูปานิสยา และปะกะตูปะนิสิยะปะกะตูปะนิสิยะได้แก่นิวรณ์และสัมปยุตตขัน์เป็นปัจจัยแก่นิวรณ์โดยอุปานิสิยะปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัย36สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมาณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่ บุคคลเห็นแจ้งจากสุภาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณนต์จึงเกิดขึ้นมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยเหมือนกับอรามณนปัจจัยสำหรับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลพึงจำแนกไว้ปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัยสาสิบดสภาวะธรรมที่เป็นนิวรเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวร์ โดยปัจฉาชาตะปัจใจมีสามวาระเป็นปัจใจโดยอาเสวณปัจใจมีห้าวาระกรมปัจใจสามสิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณโดยกรมมปัจใจมีสองอย่างคือสหาชาตะและนาน า, นาคณิกะสหาชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจใจแก่สัมปยุติขันและจิตตสมุทฐานรูป โดยกรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาขณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากและกัตตารูปโดยกรรมปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะนิวรนโดยกรมปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเจตนาที่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันนิวรนและจิตตาสมุทฐานรูป โดยธรมะปัจจัยวิปากะปัจจัยเป็นต้นสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณโดยวิปากะปัจจัยเป็นหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัย สสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะพึงเพิ่มสี่วาระที่เหลืออย่างนี้อธิปัจจัยสีสเอดสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอธิปัจจัยได้แก่รามชฉันทานิวรณ์เป็นปัจจัยแห่ีนมิธานิวณ์ อุทจฉนิวรณ์และอวิชานิวรณ์โดยอธติปัจจัยพึงผูกเป็นจักรในสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอัิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะโดยในนี้บทที่มี น, นิวรณ์เป็นมูลมีสามวาระส2สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวร์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 คือสหาชาตะและปุเรชาติย่อสีสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่กรามฉันชนิวรณ์และสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่ถีนะมิธานิวรณ์อุทะจานิวรณ์และอวิชานิวรณ์โดยอธิ ป, ปัจจัย กามาฉันทานิวรณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ทีนมิทานิวรณ์อุทจฉานิวรณ์และอวิชานิวรณ์โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาติมหาระและอินทรียาชาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็น น, นิวรณ์และนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองนิวรณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็น R, ปนิวรณ์โดยอธิปัจจัยนิวรณ์และสัมปยุจจะขันเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยนิวรณ์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่นิวรณ์และสัมปยุจจะขัน เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่นิวรณสัมปยุจฉันและเกลิงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่นิวรสัมปยุจฉันและรูปปัจจิวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตะตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ โดยอธิปั จ, จัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นนิวร์และกามฉันทานิวร์เป็นปัจจัยแก่ขันสาถีนมิทานิวร์อุทจานิวร์อวิชานิวร์และจิตตสมุทารูปโดยอธิปั จ, จัยและถึงขันสองกามฉันทานิวร์และหาไทยวัตุเป็นปัจจัยแก่ถีนะมิทานิวร์อุทจนิวร์ อวิชานิวรณ์และสัมปยุจจะขันโดยอธิปัจใจพึงผูเป็นจักรนายหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัยสี่สิบสี่เหตุปัจใจมีสี่วาระอารมาณปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระ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 ชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมพยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนาฏิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจียุทธะ๔๕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 โดยอารมณปัจจัยชาติปัจจัยและอุปาณิสยาปัจจัย56สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรโดยอารมณป like men, crew, Beach, ัจจัยชาติปัจจัยอุปาณิสยาปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาติปัจจัยกรมมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวร์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปนิเสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรและที่ไม่เป็นนิวรโดยอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปนิเสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัย4 7สเจสภาวธรรมที่เป็นนิวรและที่ไม่เป็นนิวร์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 โดยอรหันต์ปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาินชยาปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียสอสังขยาวาระ 48. นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนั่รหันต์ปัจจัยมีเก้าวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ สปัจจญานุโลมปัจญิยะเภตุทุกขในณอระมณปัจจัใจเภตุปัจใจมีสี่วาระและถึงณสมนันตรปัจใจมีสี่วาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระณอุปาณิเสยปัจใจมีสี่วาระและถึงณมคราปัจใจมีสี่วาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระ โนนัิปั จ, จัจมีสี่วาระโนวิคตะปั จ, จัจมีสี่วาระสปัจยะปัจญจิยานุโลมห้าสิอารมณปั จ, จัยกับนัเหตุปัจจมีเก้าวาระอธิ ป, ปติปั จ, จัจมีเก้าวาระเพึ่เพิ่มบทอนุโลมมัติกาและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระนีวรณทุกะจบ สินิวรณิยทุ ก, กะหนึ่งปฏิจจวาระห้าสิบอ็สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยพึงเพิ่มนิวรณียทุกกะไว้เหมือนโลกิยะทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันนิวรณ์ประกอบกับนิวรณ์แปดครั้งคือกามัฉันทะสองครั้งปฏิฆะสี่ครั้ง อุทจจะและวิจิกิจฉาสองอย่างนี้อย่างละครั้งได้จัดมาธิกาแห่งนิวรณทุกขะไวในวาระนี้แล้วนิวรินยาทุกะจบ 46. นิวรณสัมปยุตตะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจห้า2บสสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ อ, อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปิยุจจากนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ และที่วิปยุจจากนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสโมฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง53สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสโมทานรูป อาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจากนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิธขณะพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาปูตรูปที่เป็นภายในสภาวธรรมที่วิปยุจากนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์และที่วิปยุจากนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น ย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระห้าสิบสเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิ ป, ป, จจาาธปจจติปัจจัยมีห้าวาระและถึงนัตถิปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมจบ2ปัจญยะปัจจนนยะหนึ่งวิพังขวาระ นาเหตุตุปัตยจห้าสห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปปัตย์ใได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยขันธ์ที่สหรคด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทจ <ton> ักเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปปัตย์ใได้แก่ละถึง ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากนิวร์พึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรมยอ่อสองปัจจยปัจจนียสองสังคยาวาระสุทไนยห้าสหน่เหตุปั จ, จัยมีสองวาระนอารรมณปั จ, จัยมีสามวาระนาทิปติปั จ, จัยมีห้าวาระนอนันตระปั จ, จัยมีสามวาระนสมนันตระปั จ, จัยมีสามวาระ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 ณมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตต ป, ปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตต ป, ปัจจัยมีสองวาระณโนนติปัจจัยมีสามวาระณวิคตปะปัจจัยมีสามวาระสปัจยานุโลมปัจจนยะเหตุทุกขในห้าสิบเจดณอารมณปัจจัยกเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีหวาระ ณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระและถึงนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีห้าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยขเภตุปัจจัยมีสองวาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระสปัจจยปัจญิยานุโลมห้าสิบแปด อารามณะปัจใจขับน้าเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระสาชาตาวาระพึงเพิ่มอย่างนี้สี่สิบหกนีวรณสัมปยุตตะทุกะสปัจยะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจใจห้าสิบเก้า สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่วิปยุทธิจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสโมทานรูปทำขันธ์หนึ่งที่วิปยุทธิจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ รำมหาปูตรูปหนึ่งขันธ์ที่วิปยุจจากนิวรณ์รำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์ทำอไัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์และที่วิปยุจจากนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ทำมาไทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูธรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหกสิบสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ทำสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปยุจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่ง ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปยุจจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และธรรมะหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วนิวรณ์และที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และธรรมะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองจิตตสมุฐานรุธทำขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และธรรมหาผูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ยอ่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนหปปจจกาาจจสิเอดเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจใจมีสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบ สปัจิยปัจจนยะหนึ่งวิพังควาระนะเหตุปัจจัย 62. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ทำสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์ทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรตด้วยอุทจฉาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 และที่วิปยุตจักนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรตด้วยอุทจจะทำขันที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุ ท, ทจจะและธรรมไ ท, ทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อสองปัจจะยะปัจจนิยะสองสังคยาวาระสุทไนหกสิสาม นเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอธรรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงนบปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนัจชาชาตปัจจัยมีก้าวาระนอเสวณปัจจัยมีก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากะปัจจัยมีก้าวาระละถึงนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทำอย่างนี้